นะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเอง พระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมัจจิมานิกายสลายตนะวิพังคสูตรเล่มที่14ข้อที่617สเจในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนาธาบินทิกเศรษฐี ในเกตพลนกกรสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสลายตนะวิพังคือการแจกแจงในเรื่องของสลายตนะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกห มวดแห่งวิญญาณหมวดแห่งผัสสะหมวดความนึกหน่วงของใจ 18, และทางดำเนินของสัตว์ 36. ใน36นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้และทางดำเนินของสัตว์นี้พึ่งทราบการตั้งสติสามประการที่พระเรียเจ้าเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาที่ควรเพื่อสั่งสอนหมูอันเราเรียกว่าสารสีอันฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนี่เป็นหัวข้อแห่งสลัยะตนะวิพังก็ในหัวข้อที่เรากล่าวนั้นพึงทราบอัยตนะภายในหกนั้น เราหมายถึงอะไรคือได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายและอายตนะคือใจส่วนข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบอายตนะภายนอกทั้งหนั้นเราหมายถึงอายตนะ คืรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโผฏฐะและอายตนะคือธรรมรมส่วนข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั้นเราหมายถึงวิญญาณทางตาคือจกักษุวิญญาณ วิญญาณคือการรู้แจ้งทางหูหรือโสตวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งทางจมูกหรือคานวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งทางลิ้นหรือชิวหาวิญญาณวิญญาณคือการรู้แจ้งทางกายหรือกายยัวิญญาณและวิญญาณคือการรู้แจ้งทางใจหรือมโนวิญญาณ จนข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบหมวดแห่งพัทษะคือการกระทบหกอย่างนั้นเราหมายถึงอะไรคือได้แก่จักสุสัมผัสคือสัมผัสทางตาโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายและสัมผัสทางใจ ส่วนข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบความนึกน่วงของใจ18อย่างนั้นเราอาศัยอะไรกล่าวคือเพราะเห็นรูปด้วยตาใจย่อมนึกน่วงในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกน่วงในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมันัสนึกน่วงในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา เพราะฟังเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นเพราะถูกต้องปวด ภ, ภาด้วยกายเพราะรู้ธรรมรมด้วยมโนใจย่อมนึกหน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่งทวมนัสนึกน่วงธรรมรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง อุเบกขาชนีเป็นความนึกน่วงฝ่ายโทมนัสหกอย่างฝ่ายโทมนัสหกอย่างฝ่ายอุเบกขาหกอย่างข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบความนึกน่วงของใจ18อย่างนั้นเราหมายถึงข้อความดังนี้และข้อที่ว่าพึงทราบทางดําเนินของสัตว์36อย่างนั้น เราอาศัยอะไรกล่าวคือโซมานตอันอา ศ, าศาัยเย่าเรือนหกอย่างโซมานตอันเป็นที่หลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่างโทมานตอันอาศาัยเย่าเรือนหกอย่างโทมานตในการหลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่างอุเบขาที่อาศัยเย่าเรือนหกอย่างอุเบคาที่หลีกออกจากเย่าเรือนอีก หกอย่างภิกษุทั้งหลายในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นความโสมนัสเนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อคนเรามองเห็นการได้ซึ่งรูปอันน่าปรารถนาน่ารักไรน่าพอใจน่ารื่นรมย์ใจอันเนื่องในความเป็นเหยื่อของโลกในทางตา หูจมูกลิ้นกายหรือใจว่าเป็นสิ่งที่ตนกำลังได้อยู่ก็ตามหรือว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสปธถะและรรมารมณ์เช่นนั้นอันตนเคยได้แล้วแต่การก่อนซึ่งล่วงแล้วดับสิ้นแปรปรวนไปแล้วก็ตาม แล้วเกิดความโสมนัสขึ้นความโสมนัสใดมีลักษณะเช่นนี้ความโสมนัสนี้เรียกว่าความโสมนัสเนื่องด้วยเย่าเรือนคือเคหะสีตะโสมนัสผิกษุดต้งหลายก็ในบรรดาเวทนาตั้งหลายเหล่านั้นความโสมนัสเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือน อย่างเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อคนเรารู้แจ้งถึงความเป็นของไม่เที่ยงของรูปทั้งหลายความเป็นของไม่เที่ยงของเสียงทั้งหลายความเป็นของไม่เที่ยงของกลิ่นรสปตละและธรรมารมทั้งหลายรู้แจ้งถึงความแปรปรวนความจางคลายความกำนัดยินดี และความดับไม่เหลือของรูปทั้งหลายเป็นต้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบรูงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโภภพธภะหรือธรรมารมทั้งหลายในการกรหรือในบัดนี้ก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมารมเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้แล้วเกิดโสมนัสขึ้นความโสมนัสใดมีลักษณะเช่นนี้ความโสมนัสนี้เราเรียกว่าความโสมนัสเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนบาลีว่าเนครมะสิตะโสมนัสในเวทนาทั้งส6สอย่างนั้น โทมนัสคือความทุกข์ใจเนื่องด้วยเย้าเรือนหกอย่างเป็นอย่างไรคือเมื่อคนเรามองเห็นการไม่ได้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปรตระและธรรมรมเป็นต้นนั้นอันน่าปรารถนาน่ารักไรน่าพอใจน่ารื่นรมใจอันเนื่องในความเป็นเหยื่อของโลก ในทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจว่าเป็นสิ่งที่ตนไม่ได้ก็ตามหรือว่าเมื่อระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเช่นนั้นอันตนยังไม่เคยได้แล้วแต่การก่อนซึ่งล่วงลับดับสิ้นแปรปรวนไปแล้วก็ตามแล้วเกิดความโทมนัสขึ้น ความโทมนัตหรือความเสียใจอันใดมีลักษณะเช่นนี้ความโทมนัตหรือเสียใจนี้เราเรียกว่าความโทมนัตเนื่องด้วยเย่าเรือนบาลีว่าเคหะสิตะโทมนัตอีกส่วงต่ายก็ในบรรดาเวทนาตั้งลายเหล่านั้นโทมนัตคือความเสียใจ เนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือเมื่อคนเรารู้แจ้งถึงความเป็นของไม่เที่ยงของรูปเสียงทั้งหลายเป็นต้นความแปรปรวนความจางคลายจากกำหนัดยินดีและความดับไม่เหลือของรูปทั้งหลายเสียงกลิ่นรสปอัปรปะและธรรมรม และเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นทั้งหลายในการก่อนหรือในบัดนี้ก็ตามรูปทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้แล้วเขาย่อมเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความกระยิม ในอนุตตราวิโมกข์ทั้งหลายว่าเมื่อไรหนาเราจะเข้าถึงซึ่งอเยตนะนั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมนนได้อันเป็นอเยตนะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงซึ่งอเยตนะนั้นแล้วตั้งอยู่ได้ในบัดนี้ดังนี้เมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ซึ่งความกระยิมคือความปรารถนา ในอนุตตรวิโมกข์ทั้งหลายอยู่ดังนี้ย่อมเกิดความโทมนนต์คือความทุกข์ใจขึ้นเพราะความปรารถนาคือความกระยิมนั้นเป็นปัจจัยความโทมนนต์หรือความเสียใจใดมีลักษณะเช่นนี้ความโทมนนต์นี้เรียกว่าโทมนนต์เนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือน หรือเนคขมมะสีตะโทมนัตภิสุทั้งหลายในบรรดาความรู้สึกทั้งหลาย36อย่างเหล่านั้นอุเบกขาเนื่องด้วยเย่าเรือนเป็นอย่างไรเล่าคือเพราะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องปฎปะด้วยกาย หรือรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ตามแล้วอุเบกขาก็เกิดขึ้นแก่คนพาลผู้หลงผู้เขาผู้ปุถุชนผู้ยังไม่ชนะกิเลสผู้ยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษผู้ไม่ได้ยินได้ฟังอุเบกขาใดซึ่งเป็นอุเบกขาของปุถุชนอุเบกขานั้นไม่อาจ จะเป็นไปล่วงซึ่งวิสัยแห่งรูปเสียงกลิ่นรสโพถะภะและธรรมารมณ์เพราะเหตุนั้นเราเรียกอุเบกานั้นว่าอุเบกาเนื่องด้วยเย่าเรือนคือเคหะสิตะอุเบกขาอีกสุดท้ายก็ในบรรดาเวทนาทั้งหลาย3าั้อย่างเหล่านั้นอุเบกาเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือน หกอย่างเป็นอย่างไรคือเมื่อคนเรารู้แจ้งถึงความเป็นของไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมรมทั้งหลายความแปรปรวนความจางคลายความกำนัดยินดีความดับไม่เหลือของรูปเสียงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบ ตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลินรส ป, รถปุถะบะและธรรมารมทั้งหลายในการก่อนหรือในการบัดนี้ก็ตามรูปทั้งหมดเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้แล้วเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาใดมีลักษณะเช่นนี้ อุเบกานั้นไม่อาจจะเป็นปลายล่วงซึ่งวิสัยแห่งรูปเสียงกลิ่นรสปวดพะและธรรมรมเพราะเหตุนั้นเราเรียกอุเบกานั้นว่าอุเบกาเนื่องด้วยการหลีออกจากเย้าเรือนคือเนคขมะสิตะอุเบกาภิษารณาลายคำที่เรากล่าวว่าในทางดำเนินของสัตว์36ทางนั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้และทางนี้เสียดังนี้ข้อนี้เราอาศัยหลักเกณฑ์อะไรคืออาศัยหลักเกณฑ์ที่ว่าในบรรดาทางแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36ทางนั้นโสมนัสอาศัยการหลีกออกจากเย้าเรือน6กอย่างนั้นมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโสมนัส อันหลีกออกจากเย่าเรือนนั้นแล้วละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโสมนัอนนาสอนอาใสยเย่าเรือนหกอย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอ น, นาใสายเย่าเรือนหกอย่างเหล่านั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในเวลาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้งสามสิบหกทางนั้น เธอจงอาศัยโทมนต์อันอาศัยการหลีออกจากเย่าเรือนหกอย่างมีอยู่เธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งโวมนั์เนื่องด้วยการหลีออกจากเรือนนั้นแล้วล้าเสียก้าวล่วงเสียซึ่งโทมานั์เนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างการล้าเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโทมานั์ เนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างเหล่านี้ย่อมมีด้วยอากันอย่างนี้ในรมดาทางไปแห่งจิตทั้ง36ม่ทางของสัตว์นั้นอุเบกขาอันเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนมีอยู่หอย่างนั้นเตอจงอาสัยแล้วอาศัยแล้ ว, ลวซึ่งอุเบกขาอันเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย่าเรือนนั้นแล้วล้าเสียก้าวล่วงเสีย ซึ่งอุเบกขาอนณาสายเย่าเรือนหกอย่างนั้นการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขาเนื่องด้วยเย่าเรือนหกอย่างย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายรมดาทางไปแห่งจิตทั้ง36มสต่างนั้นโสมนัสเนื่องด้วยการลีกออกจากเรือนหกอย่างเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้ว ซึ่งโทมนัตเนื่องด้วยการหลีกออกจากเรือน6กอย่างนี้ละเสียซึ่งโทมนัตเนื่องด้วยการหลีกออกจากเรือนอีกหกอย่างการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโทมนัตเนื่องด้วยการหลีกออกจากเย้าเรือนหกอย่างเหล่านี้ย่อมมีด้วยกันอย่างนี้ค็ในบรรดาทางไปแห่งจิตของสัตว์ทั้ง36ทางนั้น อุเบกขาเนื่องด้วยการหลีกออกจากเรือนหกอย่างเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขาเนื่องด้วยการหลีกออกจากเรือนละเสียซึ่งโสมนัสอันเนื่องด้วยการหลีกออกจากเรือนอีกหกอย่างการละเสียได้ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งโสมนัสอันหลีกออกจากเย่าเรือนหกอย่าง ย่อมมีด้วยการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆก็มีอยู่อุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวก็มีอยู่ก็ อ, อุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปทั้งหลายมีอยู่ อุเบกขาในเสียงอุเบกขาในกลิน่นอุเบกขาในรสอุเบกขาในปวดตะทั้งหลายมีอยู่นี้คืออุเบกขามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆก็อุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวเป็นอย่างไรคืออุเบกขาอาศัยอากาสานัญนจายตนะมีอยู่ อุเบกขาอาศัยวิญญาณัญจายตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยอากินจัญญาญตนะมีอยู่อุเบกขาอาศัยเนวัสัญญาาสัญญาญตนะก็มีอยู่นี่คือเบกขาที่มีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวก็นรรดาอุเบกขาเหล่านั้นเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียว อาศัยภาวะอย่างเดียวและเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกามีภาวะต่างๆอาศัยภาวะต่างๆนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ปิสุทลายเธอจงอาศัยแล้วอาศัยแล้วซึ่งอะตมยตา คือยิ่งความเป็นผู้ไม่มีตัณหาละเสียก้าวล่วงเสียซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้นการละเสียได้การก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอุเบกขามีภาวะอย่างเดียวอาศัยภาวะอย่างเดียวนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็คำใดที่เรากล่าวว่า จงอาศัยทางนี้และละทางนี้เสียดังนี้นั้นเราอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้แหละพิสูจน์ทร้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวว่าพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระรีเจ้าวเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าวแล้ว คือศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแสดงตามแก่สาวกทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สาวกทั้งหลายแต่เหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและปฏิบัต หลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาภิกษจา้งหลายในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่สวยความชื่นชมและไม่ระกายเครืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่พิกษจารณาลายนี่แหละเราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่ปรารยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ อิกส่วนหลายพ่ออื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเมนดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี้เพื่อความสุขแก่พวกเธอเราสาวกของศาสดานั้นบางพวกย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงียงหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาแต่บางพวกย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยวหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาปิกษุทลั้งหลายก็ในก้อนนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ชื่นชม ไม่เสวยความชื่นชมเว้นทั้งความชื่นชมและไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้แหละรีกว่าการตั้งสติประการที่สองที่พระอริยเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดากวนเพื่อสั่งสอนหมู่ ปิกสุทไลก็อื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนีเพื่อความสุขแก่พวกเธอเราสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึง และไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของพระศาสดาพิสูจทั้งหลายในข้อ น, นั้นรัฐาคตเป็นผู้ชื่นชมเฉยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่นี่แหละเราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สามที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพแล้วชื่อว่าเป็นาศาสดากวรเพื่อสั่งสอนหมู่ ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดากวรเพื่อสั่งสอนหมู่นั้นเราอาศัยเหตุนี้จึงกล่าวแล้วภิกษุทั้งหลายก็กรรมที่เรากล่าวว่าตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่า เป็นสารทีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเดนบด้าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนันนี้นั้นคำนั้นเรากล่าวแล้วพระอาศัยอะไรเล่าคือช้างที่ควรฝึกอันกวานช้างฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็เล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวต่า น, นั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือ หรือที่ใ ต, ต้หรือมาที่ควรฝึกอันกวนม้าฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ที่ต่างเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิ่ใ ต, ต้โกที่ควรฝึกอันผู้ฝึกโกฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้ว ก็แล่นไปได้สู่ทีต่ต่างเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ส่วนบุรุษที่ควรฝึกอันตตาคดผู้อาราันตะสัมมาสัมพุทธฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ที่ทั้ง8คือเป็นผู้มีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย นี่คือทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้ไม่มีสัญญาในรูปอันเป็นภายในย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกนี้เป็นทิฏฐิสองเป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่างามเท่านั้นนี้เป็นทิฏฐิสามเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาเพราะความดับไป แห่งปฏิกัสสัญญาเพราะไม่ใส่ใจน้าน้า ต, ตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากาสานัญจา ย, ยตนะมันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้มีเป็นทิฏฐิสี่เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากาสานัญจา ย, ยตนะโดยประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดหนังนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่เป็นที่ ท, ที่ห้าเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มี นี้แล้วตั้งอยู่ในตธรรมะได้นี้เป็นที่ที่หและเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายาตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรได้นี้เป็นที่ที่เเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะ โดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงสัญญาเวทายตะนิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนได้นี่เป็นทิฏฐิแปดพิกษณุณหลายบุคคลที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อาราันตะสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็หล่นไปสู่ทิฏฐิทั้งแปดเหล่านี้ได้ ก็คำที่เราเกล่าวแล้วว่าตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวได้ว่าเป็นสารวีฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้นคำนั้นเราเกล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุผลนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลาย ต่างชื่นชมยินดีในพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหลสลายยตนะวิผังกระสูตรคือการแยกแยะแจกแจงเรื่องสลายยตนะจบฟังธรรมกรมพุทธะ